บทที่สอุนรักของบุพการีอัตมาเพิ่งกลับจากเมืองที่ลูกสาวอาศัยอยู่เมื่อวานนี้เองอัตมาไปเยี่ยมลูกมา16วันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากหลังจากไม่ได้พบกันนานปีความรักที่ลูกๆมีต่ออัตมาช่าง น, น่าอัศจรรย์เหลือเกินความสัมพันธ์ของอัตมากับลูกๆเป็นความรักและปาถนาดีแท้ เปิดกว้างจนทำให้อัตมาปราบปลืม้มความรู้สึกเช่นนี้เป็นสิ่งที่แอฟันถึงมานานแต่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นไปได้แม้แต่อดีตพ่อตาและอดีตภรรยาของอัตมาก็มีมิตรไมตรีอันดีเราคุยกันมากมายเกี่ยวกับชีวิตและหลักธรรมและยังได้ปรึกษากันถึงเรื่องการเล่าเรียนของลูกๆอีกด้วยอัตมาเล่าให้พวกเขาฟังว่า อัตมามองการศึกษาอย่างไรแล้วรู้สึกยินดีจริงๆที่จะได้ช่วยสอนลูกๆให้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตลูกสาวคนโตของอัตมาฉลาดมากเป็นเด็กอ่อนไหวและชอบแสดงออกสายตาที่ลูกคนนี้มองอัตมาทำให้หัวใจของอัตมาท่วมท้นด้วยเมตตาความรักและปรารถนาดีอัตมาอยากจะกอดลูกเหลือเกินตอนนี้เข้าใจดีทีเดียวว่า การบวชเป็นพระนั้นต้องแลกโดยอะไรบ้างอัตมาแทบจะคลั่งด้วยความรักลูกๆที่เอ่อล้นขึ้นมาโชคดีที่สติช่วยรั้งอัตมาไว้ไม่ให้ทําอะไรเพียเพ้ยนๆลงไปอัตมาเคยเสยแสงได้ยอดเยี่ยมอย่างไรตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ตอนที่ลูกมากราบเยี่ยมอัตมาที่วัดซึ่งอัตมามาพักอยู่ระหว่างพำนักที่เมืองนั้น ลูกเอาแต่ร้องไห้อัตมาเองก็กลั้นสะอื้นน้ำตาตกในรู้สึกคล้ายหัวใจใกล้จะระเบิดออกมานึกไม่ออกว่าควรจะพูดอะไรกับลูกตอนที่ลูกมาส่งอัตมาขึ้นรถไฟขากลับลูกก็ร้องไห้อีกอัตมารู้แล้วว่ายังคงอยู่แลกจะอยู่ในหัวใจลูกตลอดไปตอนนี้อัตมาไม่ต้องอาศัยเครื่องมือใดๆมาเปิดหัวใจ เพราะลูกสาวช่วยเปิดมันจนกว้างแล้วหวังอย่างยิ่งว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาอย่างเข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแม้จะผ่านช่วงเลวร้ายในชีวิตมาก่อนขอให้ลูกๆผ่านเจ้าสภาพที่วุ่นวายปวดร้าวและไร้สาระซึ่งเราเรียกมันว่าชีวิตได้อย่างปลอดภัยอัตมาจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอหากลูกต้องการความช่วยเหลือ อาตมากับลูกคุยกันหลายต่อหลายเรื่องเราอ่านหนังสือด้วยกันต่างเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีลูกอยากจะมีการศึกษาดีๆอยากจะเรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าให้เลิกสึงอาตมาเองก็เฝ้าใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลาว่าจะช่วยลูกได้อย่างไรสำหรับอาตมาแล้วเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือการได้มีโอกาสอยู่กับลูก ถึงแม้อัตมาจะไม่ใช่ผู้หาเลี้ยงแต่ก็เป็นกัลยาณมิตของลูกได้อัตมาสอนลูกสาวไวหลายอย่างทีเดียวลูกเป็นคนชอบอ่านหนังสือและอ่านหนังสือมากมายทั้งยังชอบคิดและชอบเจริญกรรมฐานด้วยเราต่างเปิดใจคุยกันเป็นเพื่อนแท้ของกันและกันอัตมาเป็นทั้งพ่อครูบาอาจารย์และเพื่อนของลูก นับวันอัตมาจะรักลูกๆมากขึ้นทุกทีทุกทีอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกๆและช่วยพัฒนาจิตวิญญาณของลูกความสุขสบายและการศึกษาของลูกๆคือสิ่งที่อัตมาสนใจที่สุดในตอนนี้ลูกสาวของอัตมาจะเิญจิตตาโน ป, ปัสสนากรรมาฐานโดยการตามรู้จิตและค่อยๆตามรู้ความคิดและความรู้สึกจิตได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบุ ค, คลิกและความสนอกสนใจของลูกคนนี้ช่างถอดแบบอัตมาเอาไว้ตอนนี้อัตมาเลือกสนใจตัวเองแล้วห่วงแต่ลูกๆเท่านั้นได้แต่หวังว่าลูกจะตามรู้จิตให้เท่าทันได้มากขึ้นมากขึ้นจิตมันเจ้าเล่ห์นักมันชอบการเปลี่ยนแปลงชอบสิ่งแปลกใหม่ความเบื่อหน่ายนี่แหละคือปัญหาใหญ่จิตจึงหยหาความบันเทิงเริงรม และสิ่งเร้าใจที่คนโดยมากชอบทําก็คือวิ่งไล่ตามสิ่งเร้าใจในรูปแบบต่างๆอาตมาวางแผนจะมาอยู่ที่มาเกลสักสองสามเดือนตั้งใจจะช่วยอบรมสั่งสอนลูกให้เรียนรู้ที่จะเข้าใจจิตใจและผู้คนสอนเรื่องมนุษยสัมพันธ์ลูกควรจะพูดคุยอย่างไรจึงจะเหมาะสมสอนการเป็นผู้ฟังที่ดีและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องทุกวันนี้เขาสอนอะไรเด็กๆกันน่ะหรือมีแต่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับเด็กอีกไม่นานแก่ก็จะลืมไม่ได้สอนว่าแกควรจะพัฒนานิสัยใจคอและบุคลิกภาพของตนอย่างไรซึ่งน่าจะสําคัญกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากนะักอัตมาเป็นพ่อแต่ไม่ใช่ผู้ที่หาเลี้ยง อาตมาจะทดแทนด้วยการเป็นทั้งครูทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาใครละ่ะคือผู้ที่เราต้องการมากที่สุดถ้าไม่ใช่คนที่เข้าใจเราอย่างเลิกซึง้งและรักเราโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรหรือคือสิ่งดีงามที่สุดที่อาตมาจะให้ลูกๆได้หัวใจและชีวิตจิตใจของอาตมาเองอย่างไรละ่ะลูกสาวบอกอาตมาว่าลูกสัมผัสได้ถึงความรักของอาตมาที่มีต่อลูกๆ เพียงเท่านี้อาตมาก็เป็นสุขลนแล้วในครั้งนี้อาตมาอยากจะให้เวลาแ ก, ลก่ลูกๆมากเท่าที่จะทำได้เพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อใดได้แต่หวังว่าเมื่อเราต่างคนต่างเติบโตขึ้นเราจะพบกันบ่อยขึ้นอาตมาอยากจะช่วยลูกๆในทุกทางอาตมาสบายดีและมีความสุขมากดีใจที่ได้อยู่กับลูกๆ ทุกคนที่นี่ล้วนดีต่ออัตมามากที่น่าแปลกใจก็คงจะเป็นความคิดของอัตมาเองที่มีต่อพวกเขาทุกคนอัตมารักพวกเขาเข้าใจพวกเขาและซาบซึมกับพวกเขาทุกคนมากลูกสาวของอัตมากลับไปแล้วเมื่อเย็ยนหวานรู้สึกหวงเวงลึกๆในหัวใจแม้นถึงขนาดนี้ก็อยากอธิบายไม่ถูกหากจะเปรียบเทียบกับความรักที่มีต่อลูกสาวแล้วอัตมาพูดได้เลยว่า อัตมายังไม่เคยรักใครมาก่อนเลยหัวใจของอัตมาไม่เคยแย้มเปิดให้ใครลูกสาวคนหนึ่งทายผอมลงมากเพราะกังวลว่าอัตมาจะทิ้งเธอไปนานจนเกินไปอีกอัตมาจะห่างลูกไปนานขนาดนั้นได้อย่างไรกันไม่มีทางที่อัตมาจะทิ้งให้ลูกเป็นทุกข์ได้หรอกลูกบอกว่าหนูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหนูรักคุณพ่อ อยากพบหน้าคุณพ่ออยากเขียนจดหมายถึงคุณพ่ออยากให้คุณพ่อรักหนูตลอดไปหนูเสียจใจอยู่ต้องนานเพราะคิดว่าคุณพ่อบวชเป็นพระแล้วคุณพ่อจะไม่สนใจพวกเราอีกลูกคิดถึงอัตมาเสมออัตมาก็เช่นกันอัตมาก็ยังเป็นมนุษย์นี่นะจะให้ลูกเป็นผู้ตัดสินใจว่าอัตมาควรจะอยู่ในสหรัฐอเมริกานานแค่ไหน และจะไม่มีวันทิ้งให้ลูกเป็นทุกข์ใจอีกทุกวันนี้อัตมาไม่สนใจอะไรนอกจากความสุขของลูกอัตมาลองถามลูกว่าถ้าอัตมากลับไปสหรัฐอีกจะอนุญาตให้อยู่นานได้แค่ไหนลูกตอบว่าแค่ปีเดียวก็พอคะ่ะบางทีเธออาจจะยอมให้อัตมามาอยู่นานขึ้นอีกสักนิดก็ได้อัตมาไม่อยากหลอกลวงลูกต้องการซื่อตรงกับลูกให้หมดหัวใจ อย่างน้อยก็มีใครสักคนกับลูกนี่แหละที่อาตมาพร้อมจะ ก, กลายเป็นคนเปราะบางในเมื่อลูกช่างไร้เดียงสาและเปราะบางจนกระทบกระเทือนง่ายขนาดนั้นอาตมาก็ไม่ควรจะแตกต่างไปจากลูกตอนนี้หัวใจของอาตมาอิ่มเอิบท่วมทน้นไปด้วยความรักที่มีต่อลูกๆจนไม่สนใจอะไรอื่นอีกแล้วไม่อยากอ่านหนังสือไม่อยากพูดคุยกับใคร อยากอยู่ตามลำพังเพื่อคิดถึงลูกๆเท่านั้นความรักที่ลูกๆมีต่ออัตมาช่างน่าอัศจรรย์เด็กน้อยกระจ้อยร่อยแต่ช่างมีเมตตามากมายเหลือเกินสิ่งที่เยี่ยมที่สุดก็คือความสัมพันธ์กับลูกๆที่พัฒนาขึ้นมากอัตมาคุยกับลูกได้อย่างเปิดใจและลูกเองก็คุยเปิดใจและจริงใจกับอัตมาด้วยเช่นกันการได้รักใคร และถูกใครรักช่างมหัศจรรย์จริงๆลูกมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีอารมณ์มั่นคงอ่อนโยนและมองทุกอย่างตามความเป็นจริงช่างถอดแบบอัตมาได้จริงๆเราก็เลยเข้าใจกันดีเหลือเกินอัตมาทุ่มเทความรักให้ลูกหมดหัวใจเป็นสิ่งเดียวที่ให้ลูกได้อย่างเหลือเฟืออัตมาคุยกับลูกฟังลูกคุย แล้วเราก็หัวเราะให้แก่กันได้แต่หวังว่าจะได้พบกันอีกลูกกับอัตมาเข้าใจจิตใจของกันและกันได้ดีจนแทบจะส่งกระแสจิตถึงกันได้ลูกรู้สึกได้ว่าอัตมารู้สึกอย่างไรอัตมาก็เช่นกันเราอย่างรู้ความเข้าใจของกันและกันจนน่าจะกลายเป็นพ่อลูกที่เข้าใจกันมากที่สุดสักวันหนึ่ง เราคงจะได้อยู่ด้วยกันในที่ที่เงียบสงบและอัตมาจะช่วยให้ลูกได้เข้าใจจิ์ของตนอย่างลึกซึ้งอัตมาจะเป็นกรยาณนิมิตที่ดีที่สุดของลูกจะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนรู้มาให้ลูกจนหมดสิ้นหวังจริงๆว่าอัตมาจะมีชีวิตยืนยาวเพื่อจะอยู่กับลูกได้นานแสนนานความรักที่อัตมามีต่อลูก เป็นความรักที่ลึกล้ำที่สุดเท่าที่จะประสบมาในชีวิตมันอย่างรากลึกลงในความเข้าใจไร้ความลังเลสงสัยไรการเก็บกักหรือการเสรแสร้งใดๆ